พระธรรมเทศนาแผ่นที่52ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่17พฤษภาคม2556มีชื่อเรื่องว่าเป็นครูต้องมีไฟปีนี้ก็ถ้าจะว่าไปหลวงพ่อเองเ็สร้างนะทางหน้าวัด ตรงข้ามน่ะศาลาใหญ่เห็นว่าศาลาตรงนี้ก็อย่างที่พวกเราเห็นวันที่ยี่สิบเจ็ดใครคงคงจะเถียงไม่ออกว่าลุงพ่อทํำไมไปสร้างที่นู่นถ้าไม่เห็นวันนั้นก็คงจะพูดตําหนิหลุงพ่อได้อยู่ถ้าเห็นวันนั้นแล้วก็คงตําหนิไม่ออกมันอัดเข้ามาเหมือนปลากระป๋องเลยไม่รู้จะไปทางไหนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้จะเหยียบใครเหยียบใครจะงนี่มันเป็นทางเส้นเดียวกันแต่ถ้าว่ามีอยู่ทางนัง้นเป็นทางนี้ทีไร เียว่าทางสะดวกสบายรอบข้างพอสมควรความปลอดภัยในการเป็นอยู่ของคณะสัตยาญาโยมลูกศิลป์ลูกหาลูกลานเพราะนั้นหลว ง, งพ่อเองจึงตัดสินใจสร้างอาคารหลังนั้นแต่ปีนี้ก็รู้สึกว่าการสร้างอาคารหรือว่าการให้สงเคราะห์ตามโรงเรียนโรงพยาบาลก็มากพอสมควรอยู่ เดี๋ยวนี้ที่หนักหนาสาหาัสคือเรื่องตึกหนีไฟของหลวงพอ่อได้สร้างขึ้นมาตึกสิบชั้นโรงพยาบาลศูนย์อุดรแต่นนตึกสิบชั้นก็เสร็จแล้วละ่ะตึกหลังคาถึงสิบชั้นแล้วแต่ว่าทางเชื่อมะทางเชื่อมเข้ามาเบิก ม, มาวานกับประมาณล้านสองแสนทั้งหมดก็ประมาณสักห้าหกล้านทางเชื่อมเนี่ยนะเชื่อมเจ็ดสะพาน เชื่อมในระหว่างตึกต่อตึกเวลาเกิดไฟหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นในตึกหลังนั้นกัดลาเลียงคนมาตึกหนีไฟตึกหนีไฟนี่ก็ถ้าอยู่เฉยเฉยตะคอยแต่หนีไฟเออปีไหนไฟจะไหม้ท่เนเอมันก็จะอยู่เฉยเฉยก็ให้เป็นที่จอดรถตึกหลังนี้จอดรถถ้าจอดเต็มที่ประมาณเจ็ดร้อเจดร้อยคัน ถาว่าจอดแบบธรรมดาล้มลุ่น่ยประมาณหกร้อยกว่าเจ็ดเจ็ดร้อยคันก็คือจอดปิดท้ายแบบเกียร์ว่างเนะี่ถอยไปถอยมาได้อันทํานเปจอดอย่างเต็มที่ได้ประมาณเจ็ดร้อยคันอันนี้ก็จวนจะเสร็จแล้วนะหลวงพ่อก็เร่งอกี่ยวกัจะให้เดือนมิถุนาเนะี่ยจะฉลองจะมอบอาคารอะไรนี้ได้ไหมเพราะว่าทางโรงพิยบาลาเขาก็เร่งมาเหมือนกันพอรถมันท อ, ออัดมากๆ หลวงพ่อก็เร่งทางผู้รับเหมาเขาอยู่ผู้รับเหมเาก็เขาบอกว่ามันติดหลายหลายๆด้านหลายๆทางเขาก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนี่แหละอหลวงพ่อก็เออแต่ว่าให้เร่งเขานะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งในส่วนที่สองก็คือเรื่องเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาที่หลวงพ่อพูดต่อหน้าฐานะกำนันทุกหมู่ทุกระดับมาอย่างนั้นได้ หลวงพ่อวัดของเราเนี่ยคณะสิทธยาในสิทธิของวัดเราเนี่ยอที่มาสู่วัดของเราเจะร่วมสมทบสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเห้าสิบล้านบาทออันนี้ก็คือพูดล่วงหน้าไปก่อนเลยเออ น, นี่ยอันนี้ก็คือเมื่อได้พูดออกไปแล้วก็ต้องต้องได้เตรียมเอเตรียมสิ่งที่ของที่จะถวายองค์หลวงตาเจดีย์สร้างเจดีย์หลวงตา แล้วก็อย่างอื่นอีกที่มันพลาดมันเกิดมาทีหลังก็อย่างที่ที่หลวงพ่อได้เรียนให้ทราบเนี่ยนะแต่ถึงอย่างไงหลวงพ่อก็เห็นด้วยสำหรับรถรับนักเรียนหรือว่าอาํานวยความสะดวกให้กับโรงเรียนการศึกษาถ้าหากว่าการศึกษาที่ไม่ได้รับการเอ่ออํานวยที่ดีหรือไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีอาคารเรียนของเราก็รู้สึกว่า โรงเรียนของเราก็จะล้าหลังถอยหลังอีกเหมือนกันเพราะว่าโรงเรียนของเราก็อีกไม่กี่ปีข้างหน้านก็คงจะเข้าสู่ประชาคม อ, อาเซียนอยู่แล้วอันนี้คือจุดใหญ่แต่หลวงพ่อว่าภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นในท้องถิ่นของเราจำเป็นอย่างมากต่อไปภาษาจีนคงจะเป็นภาษาหลักเหมือนกับภาษาภาษาอังกฤษ คิดว่าน่าจะเป็นอย่างั้นแล้วการศึกษาอีกเหมือนกันปีนี้เองหลวงพ่อได้รับทราบว่าสพส พ, สพปเขตสี่เอสอสพ ป, ปเขตสี่ของเราเนี่ยได้รับเกียร ต, ติประวัติได้อันดับหนึ่งของประเทศอ่าก็เห็หลวงพ่อว่าอ มันที่หนึ่งของประเทศเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเพราะเขาบอกว่เาเขาเข้ารับบัตรเนี่เป็นที่หนึ่งของประเทศเลยเป็นเข้ารับเป็นคนแรกของประเทศเพราะว่าเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งได้หลายอย่างให้กับกลุ่มกลุ่มการจัดสารการฟรีมือการคณิตวิทอังกฤษมันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแต่เขารวมกลุ่มกันเขาเอาเป็นที่หนึ่งได้นี่หลวงพอว่อหน้าชมเชยแต่ก่อนหน้านั้น ก่อนเข้าพรรษามีคณะกูบายจารย์เนี่ยเข้ า, ม า, ขามาเข้าคอสมาเข้าคอสเข้าค่ายที่วัดหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็ให้พระพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแลไหว้ผ้าบังรักษาศีลบังภาวนาปฏิบัติบัตบงตามที่จัดการเข้าคอสแต่หลวงพ่อก็นานๆโผล่ไปทีหนึงแต่หลวงพ่อก็ให้ความ แนะนําครูบาอาจารย์ที่ทั้งหมดร้อยกว่าคนร้อยห้าสิกว่าคนมัน้งแต่หลวงพ่อจำไม่ผิดนะแต่ทั้งหมดมันเกือบสองร้อยนะแต่มีติดทะภาล ะ, าล ะ, ละทะุระจ้ะมาทั้งหมดประมาณร้อยห้ิบกว่าผอผ อ, อ, อ, อ, อทั้งรองผ อ, อ, อด้วยหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อขอฝากกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่ก่อนหลวงพ่อคิดว่านักเรียนมันอยู่ในเมืองมันเก่ง นักเรียนเก่งเพราะมีประสบปปการณ์ เ, เขากล้าแล้วก็พ่อแม่มีเงินแล้วก็อาหารการเล้ยพวกเขาดีหลวงพ่อก็บอกว่าเขามีสิ่งแวดล้อมที่ดีเขาจึงเก่งกว่าเราแต่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อกลับคําพูดใหม่นะหลวงพ่อกลับคําพูดใหม่กลับความคิดใหม่หลวงพ่อว่าครูบาอาจารย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้นํา ติพ่อสอนถ้าว่าครูบาอาจารย์ไม่ดีไม่ใส่ใจในการสอนเด็กนักเรียนนักเรียนไม่มีทางที่จะดีได้เพราะนั้นขอให้ครูบาอาจารย์ที่มาฟังอยู่ที่นี่ให้ตั้งใจในการสอนเด็กนักเรียนและก็ให้เลือกครูบาอาจารย์ให้สอนนักเรียนด้วยไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์รุ่นเก่าออหมดไฟพลรงแล้วเด็กรุ่นใหม่เข้ามาเข้ามาจะมาสอนตัวเองไปขวางไว้ อกลัวเขาจะล้าหน้าตัวเองนี่แหละเป็นอันตรายต่อการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนครูบาอจารย์ต้องพ อ, อทั้งหลายต้องดูจุดนี้ที่เป็นหัวหน้าต้องดูจุดนี้ครูบาอจารย์ที่เป็น อ, อที่เขาจบมาใหม่ใหม่เขากำลังมีไฟให้เขาสอนครูบาอจารย์ทั้งหลายให้ถอยให้มันดูให้มือกอดอกดูเรื่อมือสํารวมดูให้เขาสอน ถ้าสอนเสร็จแล้วเทอมหนึ่งเป็นยังไงผลออกมาเป็นยังไงเทอมที่สองผลออกมาเป็นยังไงผลนั่นแหละจะเป็นเครื่องวัดว่าเขาเก่งหรือไม่เก่งถ้าว่าเขาไม่เก่งแสดงว่าเด็กที่มาสอนทำให้เสียหายปัดออกเราจะเข้าไปสอนอันนั้นคือคือทางที่ถูกต้องนี่ไม่ใช่ว่าตัวเองจะไปคว้างสูเจ้าสูข่ามมนได้ชูเจ้าสูข่าไม่ได้เพาในสุดการนักเรียนกัน เรียนการสอนของเราเลยล้าหลังไปหมดเพราะครูหมดไฟไม่มีไฟเมื่อครูไม่มีไฟก็เหมือนครูไฟสายหมดอย่างนั้นแหะมันเดินไปที่ไหนพาลูกศิษย์ลูกหาดเหยียบน้ําตําตอไปหมดเลยเธนี่ตกเหวตกบอบไปหมดเพราะครูไม่มีไฟถ้าครูมีไฟเขาแสงสว่างจ้า น, นะเขบอกนักเรียนก็ตามหลังเขาได้ไนี่แหละผลออกมาจะเป็นยังไงให้พอ อ, อทั้งหลายพิสูจน์ให้ดูจุดนี้ แต่ถ้าว่าเราขวางอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าครูครูเก่าขวางครูครูใหม่ครูใหม่เขาเรียนมาเขาวิชามาเขาได้รับการอบรมมาได้รับการเสียมสอนมาดีเขามาสอนเขาก็มีไฟอีกเขาอยากจะให้ลูกศิษย์เขาดีนี่นแหละครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่ต้องดูพอออรงต้องดูสังเกตนี่นแหละทีนี้ถ้าการทำคั น, นดังนั้นหละ การศึกษาจะไปไปได้ดีถ้าคอยดูนะเหมือนอาเซียทุกวันนี้ก็เหมือนกันอาเซียหนุ่มกับอาเซียแก่การบริหารไม่เหมือนกันนะอาเซียแก่นี่ต้องไปดูหน้างานทุกวี่ทุกวันต้องจำจีจำชัยกับลูกน้องดูแลดูอีกแต่อาเซียหนุ่มเนะ่ยเขาไม่ได้วิ่งนะเขาดูโทรศัพท์ของเขาเท่านั้นเองอดูโทรศัพท์เขาและสั่งทางโทรศัพท์แต่ที้ผลแต่ละวันเป็นมาอย่างไรนี่แหละอาเซีย แกทั้งหลายแหละมาพูดให้หลวงพ่อฟังว่าเออมันปังยังไงก็ไม่โลมันไม่โลไม่อยู่หน้งงาง้างเลยดูดูแล้วมาใจเจ๊งเอาลายๆได้ไง่งายๆหลวงพ่อเอ้ยต้องดูผลงานเขาสิปีหนึ่งมันเป็นยังไงแต่กอนเตียเนี่ยทาํามาค้าขายเนยได้สิบล้านกาไรแต่เสียหนุ่มเขาบริหารไปนะ่ะถ้าเขาได้ห้าล้านหกล้านแสดงว่าเขาถอยหลัง สู่เตี่ยไม่ได้แต่ถ้าหาว่าเขาบริหารไปสิบห้าล้านยี่สิบล้านเน่ยเราควรจะให้เขายกให้เขาถึกเขาจะทํายังไงก็เถอะแต่ผลมันกําไรมันงอกเงยอันนี้เราต้องดูผลสิล้วไปดูจะไปดูเหตุสิเราต้องดูผลถ้าเหตุทํำยังไงก็ทําเถอะดูทุงวีทุกวันก็เถอะแต่มันเจ๊งลงเจ๊งลงมันจะเกิดประโยชน์อะไรนี่อันนี้ก็ขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ทุกๆคนด้วยเอให้มีไฟให้มีพลัง เออเอาวิชาความรู้ที่ตัวเองได้เรียนได้อบรมมาสอนเต็มที่นั่นแหละผลสำเร็จความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับพวกครูบาอาจารย์ดังทั้งทีมเลยท่เนี่ถ้านักเรียนยกทีมเข้าหมอทั้งหมดนะเออออกไปปีนี้ปีสอง6ันห้ารอยห้าสิบหกนักเรียนโยงทองพิทยาคมติดหมอทั้งหมดพอออกจะต้องได้ไปต่างประเทศท่นี่ จะไปประเทศไหนเขาให้ไปเลยพวกทีมครูบาอาจารย์ก็ต้องดังไปด้วยเหมือนกันนี่เห็นไหมสพปอออนี่ปีนี้เขาจะได้ไปต่างประเทศ ไ, ได้เลยเพราะเหตุใดเพราะว่าผลงานของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ไปที่ไหนมันมาตกอยู่กับครูบาอาจารย์อีกเหมือนกันถ้าว่าครูบาอาจารย์สอนไม่เก่งการเรียนการสอนของเราตกต่า นี่นแหละพวกตรวจเข้ามาตรวจสอบเป็นพ่ออะไรถึงตกตำ่ำทีนี้ต่างคนก็ต่างหลบหน้ากันเลยทีนี้ไม่มีใครที่จะสู้หน้าใช่ไหมพอ อ, อก็ไม่สู้หน้าเขาเหมือนกันนะอี เ, อเพราะว่าครูบ า, าอาจารย์ทำไมถึงตกต่ำฮะทําไมถึงตกเกีกเกเเ่ยกฏเกณฑ์เนี่ยเพราะเหตุไรก็เพราะว่าครูบาอาจารย์ทุกทั้งหลายครูหนุ่มทั้งหลายหนุ่มๆทั้งหลายเนี่ะให้มีไฟนะให้มีพลังนั้นลูกลานนะต้องปรึกษากัน มีอะไรใครอยู่ขแขนงไหนแจกงานกันให้ชัดเจนใครอยู่ในกลีษเวสอังกฤษภาษาให้ชัดเจนจากนั้นก็ใครจะทำหน้าที่อะไรฟังพออพอ อ, พ อ, อจะเรียกมาประชุมแล้วก็หารือกันแล้วก็ปล่อยงานออกไปลงพ่อมั่นใจว่าอาคารเหรียญยุงทองของเราเนี่ยก้าวกระโดด เออไม่ใช่วิ่งธรรมดาในก้าวกระโดดเออเพราะอะไรอยู่กับครูบาอาจารย์เท่านั้นที่นักเรียนจะเก่งเห็นไหมนักเรียนยุงบ้านผือของเราน้ำโสมกุดจับนายูมันเป็นโรงเรียนห่วยห่วยที่สุดเลยแต่เขาทำไมเ้าได้ที่หนึ่งเออกับหนึ่งกับพออพออนี่ก็ท่านรู้จักทางหนีทีไรเออพออนี่เป็นผู้นำเลยสาคัญนะคนผู้นานะ อพออสปทออของเราเขตสีของเราท่านเข้าเคยเข้าไปทํางานอยู่ในในกรมจุดนั้นเอก่อนที่จะได้ที่หนึ่งจะเน้นจุดไหนใช่ไหมละ่ะไม่ใช่จะไปงมหอยโค้งไปจะจะไปขายมันก็ไม่ได้เงินอะไรทีใช่ไหมละ่ะเอออันไหนมันจะได้เงินใช่ไหเอออันไหนจะได้เงินเอเข้าตลาดทุนใช่ไหมเอาเงินหรือไปซื้อที่ดินขายที่ดินะเออมันจะได้เงินเร็วๆ ไอ้อันไหนที่มันจะได้เงินเร็วอันให้เขาดูจักทางทางไปทางมาทางหนีทีไรเเพราะนั้นเขาจึงได้ที่หนึ่งอหลวงพอว่อมีส่วนคือท อ, ออกเป็นผู้นำที่ดีพอ อ, อสอพอทเขต4ีแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็ลุกหาบนีก็เคียงบาเคียงไหลไปได้ดีเพราะฉะนั้นเขาจึงติด อ, อันดับหนึ่งของประเทศเอมันไม่ใช่ธรรมดาแต่หลวงพ่อก็บอกว่า พวกเรานะทั้งพอออนนะครูบาอาจารย์นะอย่าชะล่าใจนะที่เราได้ที่หนนะึ่งนะเออเหมือนกับนักมวยนักมวยได้แชมป์มานะนะี่ยนะการรักษาแชมปนะ์เนี่ยยากกว่ายากกว่าการได้แชมปนะ์การได้แชมป์บางทีเร า, เราหลับหูหลบตาจะเป๋สปาเไปยกใส่โชคใส่ยอดคางของเขาเขาก็เลยนอนแผ่สองสลึงตัวเองก็เลยได้แชมป์ ม, มาเลยพอได้แชมป์ ม, มาทะดี มันตัวเองก็ไม่เก่งจริงใช่ไหมล่ะเอออีกสักวันหนึ่งเลยเออมันไม่จะเป็นสปาเน่ถึงมวยจริงเขาเข้ามาทีนี่เอ่อตัวเองกับทุบลูดไปไม่รู้ว่าไปที่ไหนก็ไม่รู้อีกนี่แหละการรักษาแชมป์เนี่ยมันสําคัญนะเพราะฉะนั้นลูกหาบทั้งหลายแหละนะเออต้องเคียงว่าเกียงไหลท่านลูกหาบทั้งหลายถ้ามันเก่งจริงเก่งมาตามลําดับนะมันจะไม่ทุบลูดเ อ, อ่ถึงยังไงมันทุบรูดออกมากั อาจจะใกล้ๆกันนั่นแหะหนึ่งแล้วสองแล้วสามนขนาดนี้ก็ยังยอมรับได้ใช่ไอมถ้าปีนี้ได้ทีหนึ่งปีหน้าได้นูได้ทีสามสิบจะแน่นน <c oughs> เออเขาก็จะต้องมาตรวจสอบพออออะไรนี่มันเป็นเรื่องอะไรว่าทาไมมันตกตุดลูดขานขนาดนี้อย่างวันอย่างนั้นไปอีกเอยมันไปเป็นผลดีสําหรับกลุ่มของเราอีกเหมือนกันวันนี้ขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์นะเด็กนักเรียนกรรม ก, การนักเรียนนะ ตั้งใจเลียนดีนะลูกน้องลูกหลานนะอย่าทะเลทะลอย่าไปหากินยาบ้ายามานะอย่างเงี้เองบ่คันผลได้ขายยาบายยามาเนี่ยพออ้อนะไอ้พอ อ, นะ อ, พอ้อเบิงเป็นหูเป็นตาซอยกันนักเลียนนะหมื่วานมู่ก้อเนี่ยเลยขากันยูนั่นนะ่ะ เ, เคยหน่อยเคยขาเคยงหญ่เขาหนังสือเนะี่ยเป็นลูกศิลป์ของอพอเปิ้นกับเป็นมาวัดคู่มือนาสงสารเนี่ยนะ บ้านหัวสร้างโอ้ตายลูกลานเลยน้องพ่อเนี่ยนี่แหละไปปลูกจังไหนเอาไม้ไผ่ไปปลูกในแดนหน้ามันขึ้นจังไหนมันขึ้นได้จังไหนไอ้ตามให้ใจไม้ไผ่มันก็ต้องขึ้นออกทั้งทั้งสี่ทิศสี่ด่านเป็นหมด่ะอ่าในเมื่อเขาไปปลูกใส่แดนหน้าเนี่ยมันก็ต้องออกไปกินลำของเขาเขาก็ต้องเขาก็ต้องมาถอนเอ่อมาถอนก็นไปโกรธให้เขามันก็บรแเมศดแนวที่เราเพราะนั่นขอให้ ลูกหลานทุกคนนะเหตุแย่งต้องคิดในถ้ำขําสอนของพระพุทธเจ้ากันว่านิสัมมะกระนังเสือยู่ไข้ควรจะก่อนยังค่อยทำมันจะเดร้อนตนไหมเือดร้อนผู้เอ่นไหมยังลูกหลานขึ้นกันนั่นนะนะเนี่ยจะไปหาสื่อด้เงินพ่อแม่สื่อมาให้ให้เข้ามาเป็นคารรถคาอาหารไปรวบร่วมกันไปหาสื่อมาผู้นึงเอาแข้งผู้นึงเอาขาผู้หนึ่งเอาผมหน้าผากมันผู้นึงเอาหางมัด เออมาแบ่งกันกินมาโมแมนแนวเนี้ยในท่นบอกลูกหลานเออคือหลวงพ่อก็บอกพวกลูกหลานเนี่พี่น้องซัทถายาดงตีนลูกปูหลวงพ่งพงพอก็บริว่าสห อ, อกเอออันไห น, นอันไหที่เอาโทษเอาพิษยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลวงปูหลวงตาเออเป็นหลวงปูหลวงตาได้ทองทินข้านเห็นเสียงไหนบุดี ลงตาก็จะบอกเอ้ยลูกหลานเอ้ยเสี่ยงหนีมันหายช น, นะเนอเสิ่งหนีมันบาถูกนะลูกหลานเนอะอย่าไปเหตุอย่าไปทำเพราะเหตุใดค่านคว่าผู้ไดก็ตามมาขายยาบายาหมาในท้องทินของเฮาขายไปแล้วขายให้ไผกินก็ให้ลูกให้หลานในอำเภอหนายุ่งเขากินพอกินแล้วเป็นอย่างไรล่ะท่าว่าผัวผู้ไดติดยาบาเมียผู้ไดติดยาบา ลูกหลานผู้ใดติดยาบาเขาก็ะทุกมัดบานมัดเทือนของเขาคณะว่ามาถือเขา้าเข้ากับหูซึกเขื่อนคันห่อติดยาบาหลบลุกหลานญาติพี่น้องเขาติดยาบายามามันเป็นอันตรายทําให้บัดครอบขั้วแตกกระจายจิบหงจิบหายไปมัดถึงจะมังมีที่ดินที่ดอนปันไดกระตามไม่สวนอย่างหลายปันได้ก็ตามแปลว่าครอบขั้วหาความสงบสุขบัวใดแตกกระสับระสายและเส้นละสายไปมดเพราะเหตุใดเพราะเนี่ย ติดยาเสพติดอันตรายมากต่อชุ่มชนสังคมของพวกเฮ้าเพราะนั้นหลวงพ่อในฐานะหลวงปู่หลวงตาของพวกเล่าเฮ้าทั้งหลายหลวงพ่อเบาสอนลูกหลานให้หลูกหลานฟังเนอ้เออย่าไปเหตุในสิ่งที่มั่นบอดีนัลูกหลานเน้อสิเห็ุแต่สิ่งที่มันมนะนนม่นดีสิ่งที่ดีแล้วมิแต่ความจะเลื่อนลุงเรื่องกันว่าเฮ้าเหตุดีแล้วนะแม่นบพ่ออ๋อเบอร์หน้านะฝากไว้กับ ครูบาอาจารย์หนุ่มทั้งหลายนเนอลงตาฝ่าไว้กับครูบาอาจารย์หนุ่มต้องมีไฟอครูบาอาจารย์มีไฟนบนย่ำมุดเคลื่อนบ้านมีไฟมีไฟน้ํานาเออมันกับยางลูกน่อกับยางน้ากลนได้เป็นบ่อละเพราอาจารย์มีไฟได้เออนึกบ่ออีกต่างเออมาแล้งปองเน้อตะขามเน้อลูกลูกหาบทั้งหลายก็เิ็ดเดียบึงเป็นบ่อละอขั้นถ้าว่าอาจารย์ผู้นาหัวหนาเมดไฟบวนลงไป ไม่แต่กินเหล่าตาปื้ปื้อจนที่ไปสอนลูกน้องใดจังได้แต่นี่ลูกหัวหน้าผมมีไฟลูกพี่ผมมีไฟบานนี่ลูกน้องกับยางน้าก้นผูปมมีไฟอย่งนั้นแล้วบานนี่หกลมกลมกาบไปเลยแล้วนะบ่งงูจังอางบ่งูเห่ากัดแข้งกัดขาไปเลยเอาไปมากเเป็นอย่างนี้เป็นอย่างเจ๊เป็นอย่างนี้เป็นอย่งสิมผลออกมาเป็นอย่างสิเป็นอย่างเจ๊แล้วพอหัวหน้าผมมีไฟผูน้ำผมมีไฟคู่ผมมีไฟ แม่นบอกล้องเราอ่อนเหลือมากนะเอาหลว ง, นะงพ่อรับเลยนะเออเอาอวันที่วันที่11บ่เ อ, อ็อก่อนประกาศเนาะยังคอยมาเตือนอีกนะเออเอาป่ะสุขสวัสดิ์ดีสุขเป็นสุขนะสุขสวัสดิ์ดีสุขอายุวันนะสุขภ า, าละ่ะดำรวยโชคดีนะลูกหลานนะทุกคู่ทุกคนอนะ